ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาพบกบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมหาเชนกขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเรื่องจะได้ประสานกันความมีอยู่ว่าเมื่อพระมหาประราชต้องถูกพี่ชาย เชื่อคนยุยงส่งเสริมผู้ะจ บ, อบรอหาว่าพระองค์ขบต่อพระเม่ต่อพี่ชายความจริงบุคคลที่มีอำนาจวาสนาในความเป็นใหญ่นี้ต้องระวังให้มากตอนที่ไม่มีอำนาจวาสนาะไม่เป็นไร มีขึ้นมาแล้วนี่คนระไยร้ายที่เรียกว่าใจเร็วๆหวังประโยชน์ส่วนตัวนี่มีมากเช่นเดียวกับท่านปุรชนกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทำความดีทุกอย่างเพื่อพี่ในฐานะที่เป็นมหาอุปราชปกครองบรรดาประชาราดด้วยความซื่อสัตย์และเมตตาบาณี แต่ถ้าว่าพระเจ้าพี่เขาไปหลงเชื่อคนยุยงหรือว่ายุยางแต่แคงแสฟังประโยชน์ใส่ตนจึงกระทั่งจับน้องชายขงตนโดยการไร้าการพิจรารณาอาไปขังความจริงก็คิดแก้ฆ่ า, าแต่ถ้าว่าพระเจ้าปูรชนกอาศัยที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จึงนดายิธิฐานจิตว่าถ้าขบเจ้ามีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพี่จริงขอให้โซ่ตรวงเคลืนจรจำหลุดและเรือนจำจงเปิดอดธิฐานและเรือนจำก็เปิดมาตอนหลังนี้ท่านมาจุดนี้เป็นจุดที่ควรจะคิดคือว่าคนดีๆที่เขามีความซื่อสัตย์สดเชิศ ถ้าเราไปคิดประสุษร้ายเขามากมากใจเขาก็เหมือนใจคนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถูกกดแล้วมันก็ดันขึ้นดูตัวอย่างสปริงถ้าเรากดลงไปงแรงๆมันหมดที่ไปมันก็ผลักตัวมันขึ้นมาข้อนี้ชั้นใดคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าคมคูกดขี่กันมากเกินไปการคิดสู้มันก็มีขึ้น จากนั้นเมื่อพระองค์หนีไปชายแดงไกลพี่ชายตามไปไม่ได้เมื่อบัรดาประชาชนทั้งหลายพากันไปหา ม, มากเพราะขาดพระองค์เสียแล้วเจ้าบรรดาอมาตุเจริตคิดตัวยาจะได้เป็นคนใหญ่คนโตที่เรามักจะชอบเรียกว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษคันว่าเจ้าเท่าหรือไอเท่าสารพัดพิษ นี่เขาเรียกกันมาตามภาษาโบราณก็หมายความว่าที่มันจะคิดเน่ยขึ้นมาอะไรมาแต่ละอย่างนะของดีมันไม่คิดคิดแต่เรื่องเลวๆเร้เ ร, เ ร, ร้ายให้เข้ามาถืออย่างเดียวว่าตัวสบายก็แล้วกันบ้านเมืองจะคิพหายบรรลัยใครจะมีความทุกข์ขนาดไหนไห้เท่าสารพัดพิษไม่ได้คิด คิดอย่างเดียวว่าฉันมีความสุขเท่านั้นเป็นพอนี่บรรดาเจ้าเท่าสา ร, รพัดพิษทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> ไม่เห็นว่าพระเจ้าปูราชนุกมหาอุปราชไปแล้วจึงได้ถืออำนาจในการทุจริตของตนโกงบรรดาประชาช น, น, นหลายคมขีให้มีความทุกข์ บรรดาประชาชนที่เคยมีความสุขมาสมัยที่พระเจ้าโพาชนกเป็นอุปราชปกครองในความเป็นธรรม <c oughs> เมื่อเกิดความทุกข์อย่างนั้นเข้ามาเห็นว่าท่านมหาอุปราชหนีไปอยู่แดนไกลก็เลพาตามกันไปเรียกว่าไปกำเกิดจนหมดเมือง มุกคนที่ไม่ไปก็ตั้งกำลังใจไว้ว่าถ้ามาเมื่อไรเราพร้อมต้อนรับนี่เพราะอาศัยที่พระเจ้าปุราชนกท่านถูกคมเหงมากเกินไปจึงได้ตัดสินใจว่าเมื่อก่อนนี้เรามีความดีความกตัญญูรู้คุณแต่พระเจ้าพี่แต่พระเจ้าพี่คือคิดปรทุสร้ายแก่ข้าเรา ทีนี้เราขอเอาบ้างละมันมีความจำเป็นี่เราจะต้องการถ้าพระเจ้าพี่จะไม่ให้พระราชสมบัติเราเราก็จะรบขอย้อนต่อไปนิดหนึ่งที่ตอนนี้เมื่อพระองค์ทรงยกทัพผ่านมาก็หาคนต่อสู้ไม่ได้มีแต่คนเข้าเป็นพวกก็มีความรักไม่ทัน มาถึงแล้วจึงได้ส่งสารเข้ามาว่าพระเจ้าพี่ครั้งก่อนม่อมฉันไม่เคยคิดประทุสร้ายพระเจ้าพี่เลยแต่หม่อมฉันก็ต้องถูกกักขังจองจำทำโทษที่เป็นเหตุเพราะพระเจ้าพี่เชื่อพวกถ้อยคำของบุคคลซอพราหามประโยชน์ใส่ตน หาได้ใช้ปัญญาของตนเองพิจารณาให้ถึงความทองแท้ไหมละบัดนี้บันดาประชาชนดอนทั้งหลายมีความเดือดร้อนมอมฉันเองหนีไปอยู่ในป่าทีงแดงไกลบันดาพวกเขาทั้งหลายก็เพียงทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปอยู่กับมอมฉัน โดยพระสายเจ้าเท่าเจ้ามันดาเจ้าเท่าสรัพัพิษทั้งหลายเหล่านั้นไค้คมเหงนรังแกเขายึดทรัพย์สมบัติทำลายทรัพย์สินลูกเขามีใครชอบใจก็ไม่ว่าเอามาให้ได้ตามใจฉันก็แล้วกันเมื่อบันดาประชาราชมีความเดือดร้อนอย่างร้อนอย่างนี้มอมฉันทนไม่ไหว บัดนี้หม่อมฉันจะต้องขอพระทุศรายเจ้าพี่บางถ้าหากจะไม่ต้องการให้เกิดสงครามก็ขอให้พระเจ้าพี่มอบราชสมบัติให้กัหม่อมฉันเสียโดยดีถ้าพระเจ้าพี่ไม่ให้ก็ต้องเตรียมตัวออกมาชนช้างกระบอกฉันในวันโทุ่นี้นี่เป็นสารที่ถึงพระเจ้าพี่ ฝ่ายพระเจ้าอริธาธนกเมื่อได้รับจดหมายของน้องชายตอนนี้ก็ต้องแข็งใจเ็ามีขัติยะมณะตามธรรมดากษัตริย์ต้องมีความมาณะอยู่ตัวหนึ่งเพราะกษัตริย์นี้ก็แปลว่านักรบเนื้อแท้จริงๆจะเป็นคนกล้าคนที่ขาดตาเขายังไงก็ตามที เมื่อเขาท่า ม, มาอย่างนี้มันก็ต้องรกนี่เรียกกันว่าจำเป็นต้องตกบันไดพลอโจนจิงคิดจะยกพลออกไปต่อสู้แต่ในขณะนั้นอาคัมเรีรสีกำลังทรงพระคันอยู่พระเจ้าอริธ h ชนกจิงตัดเรียกมาสั่งว่าน้องหญิงขึ้นชื่อว่าสงคราม สงครามนี่ไม่มีดีเลยเาะมีแต่ความพินาศเท่านั้นประเดิจว่าเราถมน้ำลายด้วยกันหรือ ว, ว่าสาดน้ำด้วยกันมันย่อมเปียนด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แม้ว่าจะชนะก็ต้องบาดเจ็บจเจ้าเรื่องแน่นอนไม่ได้ เท็มหน่อยความจะเอาได้เปรียบกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ฉะนั้นพี่จะขอยกพลออกไปต่อสู้กับเจ้าปรรชนกถ้าหากบางเอื่นพี่มีอันตรายไปเจ้าจงพยายามรักษาคันไว้ให้จงดีเจ้าจงคิดถึงลูกของเราให้มากและจึงได้ยกพลออกไป ออกไปเพื่อจะต่อสู้กับพระนุชานี่หนังสือก็ย่องเขียนว่าตามหลางสังหรณ์นี่การที่เล่านิทานหรือว่านําชาดกเรื่องนี้มาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังขอบรรดานักปรฏิท่านหลายที่ได้รับฟังว่าหนังสือชาดกที่กําลังนําเอามาเป็นตัวบท เป็นหนังสือที่เขาแปลแล้วถูกตัดริตรรณไปสัมากเป็นที่น่าเสียดายว่านักปราร่นหลังนี่ไม่ไหวของดีๆทิ้งเขาไปสมหมดนี่ศาสนาขาององค์สมเด็จพระบระมสคตที่จะร้อยรอลงไปกับพระวัฒบรรดานักปราดทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละ แล่ก็มันเป็ น, ปนการบังเอิญจริงๆหาต้นบาลีแท้ๆไม่ได้ก็จำเป็นจำใจต้องเอาหนังสือเที่เขียนไว้แล้วก็ถูกตัดทอนความดีไปเสียมากเอามาเล่าสู่กันฟังถ้ามังเอิญบังเอิญมีาขาดตอนไปบ้างมันต้องขาดมากก็ต้องขออภัยกับบรรดาท่านผู้บริษัท ด, ด้วย จะใช้แต่กำลังใจความจำจ ร, จริงๆนี่ก็รู้สึกว่าหนักใจจะพลาดรัางมากเกินไปนี่ขอเล่าตอบไปว่าเจ้าริธาชนกคาดว่าจะต้องแพ้จริงๆเพราะเมื่อได้ชนช้างกับพระเจ้าโบราชนกเข้าแล้วก็ปรากฏเราเสียทีถูกพระเจ้าโบราชนกชนช้างอะไร ถูกเจ้าพระเจ้าปรรานกฟันสิ้นเผชิญเป็งขอช้างไล่พ้นก็แตกรกระจายไพ่แพ้หนีไปไม่เป็นขบวนนี่ความจริงเรื่องนี้ก็ดีไม่กันกษัตริย์ต่อกษัตริย์ในว่าแย่งสมบัติกันก็ไม่ต่างควรทหารมาสู้กันตัวถ้าตัวระหว่างพี่กับน้องแต่ว่าไม่เหมือนกับพระเจ้าอ้ายพระเจ้ายี่ ท่านสองพระองค์นี้ท่านสู้กันไปสู้กันมาเลยตายด้วยกันทั้งคู่เป็นเหตุให้พระเจ้าสามพญาครองเมืองแต่นี่สําหรับพี่ในความจริงเดิมเป็นคนดีแต่มาเสียเพราะคนประจบสองครอที่พระพุทธเจ้าแตงกล่าวว่าไอ้ปาปมิตรมิตรชั่วนิจจนามัตระวังเจนั้นเรื่องนี้จะหาว่าท่านพูดใด มีอำนาจวาสนาบารมีถ้าตํารวจทหารตั้งแต่สิตรีขึ้นไปค้าราชการพลเรียนตั้งแต่เสมียนขึ้นไปจนทั้งตําแหน่งนายกทหารก็ได้ตั้งแต่เล็กขึ้นไปถึงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสงสุดถ้าหาว่ารับตําแหน่งใดๆแล้วก็อย่าลืมตนเลืมตัว จงคิดว่าเราทําเพื่อความสันติสุขของปวงชนทั้งหลาย้เรื่องการเมาในวาทะหรือว่าสนาบรมีนี้ย่อยยับกันมามากแล้วคำว่ยศมีขึ้นมาได้มันก็ต้องสลายได้ลาบมีขึ้นมาได้ก็ต้องสลายได้นักการเมืองหรือผู้มีวัศนาใหญ่ ที่ต้องจบไปด้วยเกมที่ไม่ดีนัมีมากขอให้ท่านหลายจงใช้สติปัญญาและมัตวังกันไว้ให้มากว่าใครเข้าทำแบบไหนชั่วได้ชีวิตัตัวจบเพื่ออาการไม่ดีอาการอย่างนี้จงถือเป็นครูแต่ว่าไม่ใช่ครูเพื่อปฏิบัติเป็นครูคนละเขาเล่าเรื่องนี้ต่อไป สำหรับพระราชาเทวีพระทราบข่าวว่าพระราชสวามีสิ้นไปชนและบรรดาประชาชนพลเมืองก็แตกตื่นอุ้มลูกจูงหลานหนีข่าสึกพระนางก็เก็บของที่มีค่าใส่ลงกระเช้าผ้าเก่าๆเอาผ้าเก่าๆ เ, เข้ามาปิดไปแล้วเอาเข้าสารใส่ข้างบน เดินไปก็ร้องไห้ไปหนีไปประคนกับบรรดาประชาชนพลเมืองโดยไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็พร้อมตัวไป <c oughs> เวลานั้นไม่มีใครจำหน้าใครกันแล้วเพราะต่างคนต่างหนีแต่ความจริงเขาไม่ฆ่าเขาต้องการฆ่าคนเดียวคือพี่กับน้องเขาจะฆ่ากันแม้แต่ทหารเขาก็มาใช้รบ ถ้าเรื่องการตกใจในคำว่าแพ้ก็ไม่แน่ใจคิดว่าเขาจะทำอันตรายก็นได้จึงพากันหนีนี่ก็พระ น, นางคิดว่าจะหนีไปทางใดจึงจะรอดพ้นจากฆาศึกพระนางคิดพระ น, นางในคิดอยู่แต่ในใจแล้วขึ้นมาได้ว่าเมืองจำปาอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมิถุมิถุนมิถิลามหานคร ถ้าเราหลบหนีไปทาเมือง น, นี้ mm. เขาจะปลอดภัยยิ่งพยายามด้นด้นดานไปออกประตูด้านทิศเหนือของเมืองจนได้ตอนนั้นไม่ต้องด้นไม่ต้องดันกนได้ mm. เพราะบ้าไม่มีใครเขาสนใจด้วยว่าข้าศึกที่มาตีเมืองไม่ใช่คนอื่นเป็นน้องของพระสามี แล้วก็เป็นคนที่ประชาชนรักเป็นคนดีในเมื่อพี่ชายตายแล้วก็ไม่ได้สั่งกองทหารของท่านให้ฆ่าทหารของพี่ชายแต่ว่าบรรดาทหารทั้งหลายเกรงกลัวเพราะนักโรคเกรงว่าเขาจะฆ่าก็พากันหนีนี่เป็นเรื่องธรรมดาขั้นเมื่อพ น, นางออกไปได้แล้วพ น, นางก็ไปในลักษณะของคนธรรมดาสามัญ แถมคันก็แก่หอบผ้ า, าผ่อนแล้วก็เช่าเข้าของเข้าสารเสสั่งไปจงตทั้งถึงเสนาที่พักแห่งหนึ่งตอนนี้ก็อิดโรยเต็มทีหน้าสงสารพระนางความจริงเราบ้างเขาบ้างนะท้องก็แก่แล้วก็คนใช้ก็ไม่มีคนใช้กนหนีไปนคนทางสองทาง ล้วของที่มีค่าใส่ตะ ก, กล้าเอาผ้าเก่าๆปิดแล้วก็สารเทินใส่ข้างบนเป็นการพลางตานานเจนได้เข้าไปพักที่สลานั้นตั้งใจถามชาวเมืองท่านหลายท่าที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาถามว่าเมืองจำปานันอยู่ทางไหนแต่เรายกฎ่าหาคนรู้จักเมืองจำปาไม่ได้ ตอนนั้นตามพระบาลีทั้งกล่าวว่าเริ่มนาจบุญญาธิการของทารกในคันซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้ก็เป็นเหตุบันดาลให้ทิพประอาหรือบรรดุ ก, กมโพลสีดาอาดเข้าพระอินทร์แข็งกระดังตามธรรมดาบันดุกำพลสีดาอาดนี้มีความนุ่มนิ่ม เหมือนกับเรานั่งเก้าอี้สปริงแต่พทว่าเวลาที่คนมีบุญญาธิการมีความเด็ดร้อนบรรดุกรรมพลเสลอายของพระอินท์กขแข็งแสดงเหตุว่าคนที่มีบุญที่รับภัยที่บัตรพระอินท์จะต้องช่วยเะนนั้นเมื่อพระทิพระอจัจของพระองค์ที่ออนเดเ ค, เคยอ่อนต่ก่อนมา กลับแข็งขันาด่างดังศิลาประหลาดใจคงจะสมดังฤร็ ว, ว่าคงจะมีเหตุมันม่นมั่นแม่นในแดนดินอมรินนั่งพินิจคิดสงสัยจึงสอส่องทิพะเนตรดยเหตุภัยก็แจ้งก็ทราบได้เพราะพะอสายพนนางมีความลาบากนี่ว่าไปเรื่อยไปเอ ง, ไง เราทาบว่าพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในคันเขาพนางได้รับความทุกข์พ น, นางจะไปเมืองจำปาแต่ว่าไม่รู้จะผลไปทางไหนเดี๋ยวนี้ไปนั่งถามทางผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะที่สลาพักเดินทางโรงคิดว่าจำจะต้องอนุเคราะห์ถ้าไม่อนุเคราะห์แล้ว ก็เห็นว่าจะผิดระเบียบของความเป็นตัวอินแต่ตามหนังสือกล่าวว่าถ้าไม่อนุเคราะห์ศีษะเราจะแตกเกียเสียงอันนี้ไม่จริงหัวเทวดานี่แตกไม่ได้เทวดาอยู่ดีๆจะหัวแตกไม่มีก็เป็นอันว่า ม, มันจะก็เรียกว่าไม่ทำหน้าที่ของตัวให้พวบถ้วนนั่นเอง เพราะพระอินคนที่จะเป็นพระอินนั้นได้ต้องอาศัยวัตบทเจเกตการเดไม่ขอกล่าวเพราะพูดต่อไปเจนี้คิดว่าน่าหนักใจเมื่อเวลานี้พระนางนะ่ะมีความลำบากมากจำที่เราจะต้องไปช่วยเจได้ทรงดรมิตรพระองค์เองเป็นคนแก่แล้วก็เนีนินมิตรเกวียน้ววัว ขับเกวียนผ่านมาทางนั้นพอพระ น, นางไลหิงเข้าจึงได้ส่งออกปากถามว่าคุณตาเจ้าขาหลานอยากจะรู้ว่าเมือจงจำปานี่ยอยู่ทางไหนคุณตาก็แกล้งถามว่าหนูจะไปไหนแล้วจ๊ะพนังเจ้าได้ตอบว่าฉันอยากจะไปเมือจงจำปาเจ้าขา ท, ท, ท่านนางตอบว่าเอ้าหนูจะไปทําไมละจ๊ะท่านนางตอว่าฉันญาติฉันมีอยู่ที่เมือง น, นั้นสา ม, มีของฉันออกรบ ก, กับข้าศึกเขาตายเช่นในสนามรบฉันก็เลยคิดจะไปพึ่งญาติอยู่ที่เมือง น, นั้นคุณตาจนนึงได้ตอบว่าถ้าอย่ง น, นั้นก็ดีสินะตาเองก็จะไปเมืองจปาปาหม่กัน ถ้าแม่หนูไม่รังเกียจแล้วก็เชิญขึ้นมาบนเกวียนเถอดกำลังท้องไส้แก่อย่างนี้เดินไปจะลำบากความรู้สึกของพระนางในเวลานั้นคิดว่าเหมือนกับเทวดามาโปรดความจริงก็เป็นเทวดาจริงๆแต่พระนางไม่ทรบาบพระนางจะได้รีบข่้นเกียน เมื่อพ น, นางขึ้นไปบนเกวียนแล้วเพราะความเหนื่อยและเพลียในการที่เราเราเหินเดินมานานพระ น, นางก็เองกายลงไปพักผ่อนเลยนอนหลับไปแต่ความจริงคนที่หลับบนเกวียนได้นี่ต้องเพลียมากถ้าว่าท่านงหลายไม่เคยนั่งเกวียนนั่งไม่รู้อาตมาเคยนั่งเกวียนไปในป่าไปธุระบ้างไปเทศบ้างสมัยก่อนมาหารถทาเรือไม่ได้ ดีไม่ดีพอไปถึงที่ลงจากเวียนทนั้นเดินไม่เป็นมันเวียนที่ศษะไปหมดมันเวียงซ้ายเวียงขวาแล้วจนหน้าเมื่อดตายลาย เ, าเรื่องนี้ทิ้งเอาไว้ปล่อยไ้ก็แล้วกันเล่าเรื่องของนางต่อไปขั้นว่าบ้านนางตื่นขึ้นในเวลาเย็นก็พบว่าถึงเมืองแห่งหนึ่ง ที่นี่ถามคุณตาผู้ขับเกวียนว่าคุณตาเจ้าขาเมืองที่อยู่ข้างหน้านี่คือก็เมืองอะไรคุณตาก็บอกว่าเมืองจำปาที่แม่หนูต้องการจะมานั่นแหละเพร่อนนางก็แปลกใจเว้ยเมืองจำปาข้าเมืองเรานี่ยมันไกลกันน่ะหกสิบโยชนี่ทําไมมาครู่เดียวจริงถึง ยังในถามคุณตาว่าคุณตาเจ้าขาเมื่อยามป่าในความจริงมันไกลทั้งหกสิบโยน์จากที่ฉันพักและททำไมมาเึงเร็วนักล่ะคุณตาก็บอกว่าไม่หนูไม่รู้หรอกคือตาเน่เป็นคนเดินทางไปไปมาที่นี่เสมอเสมอเป็นประจำจะต้องรู้จากทางลัดหรือทางอ้อม ตาที่ตามมาถึงเร็วเวลานี้ก็เพราะว่าตา ม, มาทางรัดถึงถึงเร็วกว่าปกติมากคั้นเมื่อทรงขับเกวียงเข้าไปใกล้ประตูเมืองทางทิศตะวันออกพระอินทร์จึงได้ทรงบอกแก่นางว่าบ้านนทางที่ตาจะไปเนบ้านตาอยู่ทางเหนือ แม่จงลงที่นี่ก็นแล้วกันนะเพราะว่าจะได้เข้าไปในเมืองถ้าไปทางเหนือก็จะเดินกลับมาไกลทางนี้ใกล้บ้านหมายความเป็นประตูที่ใกล้พระราชฐานของพระราชาแล้วบ้านคนก็อยู่กันแถบนี้มากญาติของนางนะญาติเขาไม่นูเขาจะอยู่แถบนี้เพราะนางจึงได้ลงจากเกวียนแล้วไปพักที่เซลาหน้าเมือง คิดไม่ตกอีกว่าจะไปทา่ไหนดีเพราะเมืองนั้นนามนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่เคยมาเป็นแต่เพียงรู้ว่าเมืองจำปานี่มันอยู่ทางทิศเหนืองก็เหนือเขาเมืองมิถิลามหานครเท่านั้นการมาก็มาแบบเดาส่งคิดคิดว่าจะตายอัดดับหน้าในขณะนั้นเองก็เป็นการบังเอิญ ทางนี้ก็ยังต้องขอต่อพระนังสือดมนี้เขาตัดเอาความจริงไปสมบต์หน้าตำหนิคนแปล น, รรนังสือแล้วก็ตัดคอทอนองดีเข้าไปแบบนี้ทำให้เด็กๆรุ่นหลังเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดหมดท่านบอกว่าพระอินท่านไปแล้วท่านทราบดีว่าพระนาง จันเทวีนี่ไม่มีญาติยูในเมืองนี้จึงได้บรนดาลให้อาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนดีมากทรงเสียนทรงธรรมีมวิชาความรู้รู้จักศิลปะวิทยาแล้วก็คิดว่าพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในกันต่อไปได้กลับไปปกครองเมืองมิถิลามานครใหม่จึงบันดาลให้จาั์ใหญ่ผู้นหนึ่งพาลูกศิษย์เดินมาทางนั้น ขันห็นว่านางเข้าขัเห็นว่านางนั่ ง, งอยู่ที่ศาลามีหน้าตายอ็นดูแต่คงไม่มีลาเหมือนเจ้าเท่าโหัวโ ง, โงูคิดจะเอาคนท่าสาวทำเมียก็ เ, เกิดความสงสัยเข้าจึงสอบถามได้ความว่านางนี้ภัยมาจากข่าศึกเพราะข่าศึกข้าสามีตาย พี่น้องที่นี่ก็ไม่มีแถมยังมีท้องมีไส้เต็มเสินมีท้องชิ้นด้วยจึงได้ชวนให้ไปพักอยู่กับเขาสำหรับพนนางดูลักษณะเห็นว่าเป็นคนดีก็เลยยอมไปด้วยถ้าต่อมาทานาจา่ายก็แสดงแสดงพนนางว่าเป็นน้องของตนให้วันดารูกศิษย์และคนอื่นทราบ พระนางก็อยู่กับอาจารย์นั้นในฐานะน้องจริงๆเพื่ออาจารย์ไม่สถาปนานน้องใหม่ขึ้นมาเป็นพันยาเป็นคนดีมากท่านได้อาศัยอยู่กับท่านอาจารย์ในฐานะของน้องจนกระทั่งนางได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายมีผิวงามลักสนะหน้าตาดี ท่านนางจึงตั้งนาว่าพระถ้่ใช้ชื่อว่ามหาชนกเหมือนกับชื่อเดียวกับพระเจ้าโปอลัลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องนี้พยายามเล่าเรื่องให้เร็วที่สุดไม่อยากจะแซ่แสงอะไรมากกับเพราะว่าถ้าเขินแซ่แสงเกรงว่าจะเสียความแต่ก็เป็นที่น่าชิดอได ว่านักปราดรุ่นใหม่นี่ไว้เป็นเรื่องเรื่องเขามีดีมากกว่านี้ละเอียดมากกว่านี้ก็ เ, เป็นการมาเอือนี่หาบาลีไม่พบไปเจออนังสีที่เขาแปลมันแล้วก็ตัดทอน ข, ของดีเขาทิ้งไปเสียมากสงสารองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงสอนไว้แต่สําหรับวันนี้วเวลาก็หมดแล้วที่บรรดาท่านพู้ตบริษัทหลายอาตมา ก, ก, ก็ต้องขอลาก่อน ก่อนจะลาก็ขออวยพรให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์โพลผลได้จงจเจริญไปด้จจวยจ่าโตและลพิทาพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวรนนาสุขภาพลัและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สย่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นส่งความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี